ถ้าหากเรามองชีวิตแบบวิถีพุทธธรรมชีวิตก็สั้นเต็มทีแหละอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าแบบมองในแง่ของนักธุรกิจที่มีความหวังก็กลัวคนที่เป็นหนี้เวลาที่มันเหลวเขาก็กลัวเวลาเป็นเจ้าหนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่เวลามันเหลวขึ้น ทีนี่ชีวิตเรามองแบบไหนเราจะมองแบบเจ้านี้หรือมองแบบลูกนี้ถ้ามองแบบเจ้านี้ก็เหมือนเราเรอคอยอะไรสักอย่างและมีความหวังมองแบบเจ้านี้ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราลงทุนไปในแต่ละวันในแง่ของการฝึกสติกด็ดีฝึกสมาธิ ฝึกปัญญาเจริญสติตามบริบทต่างๆที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยรวมทั้งกันฝึกความอดทนความขยันความอุตสาหาวิทยาทั้งหลายมันใกล้เวลาที่จะออกดอกออกผลหรือยังถ้ามองแบบเจ้านี้รอคอยความหวังอันนั้นจะประสบสุขสรเลหรืรอมาถึงเนี่ยก็ไม่มีสิทธิธ์จะคิดได้เพราะว่าทุกอย่าง ก็คือธรรมชาติถ้าเป็นเยีายนี้ก็มองนี่ที่จะปรากฏ ด, ดอกผลให้กับตัวเองมองแบบธรรมชาติก็ไม่ทุกข์นะมองดอกเบีย้ยมองอดอกผลทั้งโลกเป็นดอกเบีย้ยทั้งธรรมนี่เขาเรียกว่ามรรคผลที่มันจะปรากฏกับเราเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราไม่สร้างความหวังเราก็จะมามองเหตุปัจจัยมันมากกว่าเหตุปัจจัยของการกระทำ อย่างชาวนาเขาปลูกข้าวเนี่ยเขาเหมือนเจ้านี้ก็รอมเมล็ดข้าวรวงข้าวที่จะออกเมื่อที่อายุมันสามเดือนมันถึงจะออกหวังยังไงก็ตามก็ไม่ได้คือธรรมชาติเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนัน้นปัจจัยเสริมมันจะมีบ้างเล็กๆในน้อ ย, อ, ยอาจจะใส่ปุ๋ยใส่น้ำดูแลแมลงทั้งหลายที่ไปรบกวนชีวิตนี้ก็เหมือนกันนอกจากจเจริญสติ จเจริญสติคือการปลูกหวานพืชลงไปกำหนดรู้เนี่ยการดูแลวัชพืชก็คือการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไ ม, มไม่ให้มดไม่ให้แมลงไม่ให้ความรู้สึกข้างนอกเข้ามารบกวนมากมายนะอาจจะมีบ้างอ่ะทำให้ต้นข้าวมันแข็งแรงขึ้นถ้าไม่มีวัชพืชไม่มีมดไม่มีแมลง มันก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการพัฒนาตัวเองนั้นบางทีเราก็อยู่สงบในที่บ้างบางทีเล่นกับความคิดบ้างความปรุงแต่งบ้างออกสู่สังคมบ้างสงบบ้างแต่อะไรก็ตามก็มอยู่ประมาณอายุมันก็ประมาณสามเดือนเหมือนเดิมพันธ์วันเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่ากรรมพันธ์ กรรมพันธ์ก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนั้นแต่พุทธธรรมกับไม่ขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์มันต่างไปสติของแต่ละคนสามารถเจริญเติบโตงอกงามได้ไวสามวันห้าวันเจ็ดวันหนึ่งปีหนึ่งเดือนต่างกันอายุไม่เท่ากันคือความพร้อมตัวไหนมีก่อนมันงอกก่อนอย่างนี้ ดถึงแม้เราจะเป็นเดวนี่ก็ตามนี่ในระบบนอกระบบก็มีเหตุปัจจัยสามวันหาวันสิบวันยี่สิบวันแต่ไปจัดการเงื่อนไขอะไรข้างในไม่ได้รอว่ามันเบ่งบานเมื่อไหร่อันนั้นถึงอายุมันเมื่อไหร่ก็ไปเก็บไดยเก็บหรือเขามาส่งเองอะไรเนี่ยเราก็จะได้ดอกได้เบี้ย ปฏิบัติธรรมก็ในทรรนองนั้น่ะถ้าเราต้องความเพียรอยู่เรื่อยๆระลึก ร, ร, รู้ไม่ใช่เราไปวางปุ๊บเลยมัดจำไว้จะได้อันนี้ต้องทำตลอดทำตลอดเรียนรู้ตลอดกำหนดรู้ตลอดดูตลอดจิตเราเนี่ยเพื่อให้เหตุปัจจัยมันพร้อมแทั้งความเพียรก็ต้องสังเกตเอาใจใส่ข้างนอกอาจจะไปวาง มัดจำอะไรไว้นเก็จบไปทำสัญญากูนี่จบลอยเอาดอกผลแต่ทางทำเนี่ยเขาให้ทำทุกขณะจิตต้องดูแลมันทุกขณะทุกเมื่อเวลามันปลุงขึ้นมาหเห็นมันมันฟุ้งซ่านมารับรู้มันดูแลมันตลอดเวลาไม่มันพลาดคลาดสายตาเพราะตามหลักของกฎพุทธศาสตร์นะไมนนี้เหมือนข้างนอกข้างนอกเหตุปัจจัย ของการพิกผันแฟกเตอร์แต่และตัวมันยาวมากและสามารถมองเห็นได้ไม่ยุ่งยากแต่ทั้งทำเนี่ยทุกขณะจิตความเป็นอนิจจังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกความคิดทุกอารมณ์ดนั้นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากกว่าทาั้งโลกหลายร้อยหลายพันหลายหมืนห่นเท่าเหตุปัจจัยที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่า้ เหตุปัจโยอารมณ์อธิปติอนันตรนนปัจโยสมณนปัจจัยภายนอกภายในปัจจัยที่เกิดพร้อมกับการทําความเพี่ยนก็มีนิสัยเป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยอารมณ์เป็นปัจจัยกรรมเก่าเป็นปัจจัยกรรมใหม่เป็นปัจจใจกรรมที่เกิดภายหลังหลังจากปฏิบัติทําความเปลี่ยนแล้วบางทีนะเอาเต็มที่เลย แต่พอหยุดปฏิบัติทรมาสักพักเจ็บปวดขึ้นมาหน่อยเกิดท้อแท้ทำแล้วไม่ได้ผลอย่างที่คิดเกิดท้อแท้นี่เราปัจฉาชาตัปัจจัยปัจจัยที่เกิดภายหลังก็ทำให้เกิดเราท้อแท้ท้อถอยงนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ จ, จิตท่้นต้องอาศัยการเฝ้าดู ล, ละเอียดเราจชื่ะสามารถเป็นเศรษฐีทางธรรมได้ ถ้างั้นเราก็ลงทุนไม่ละเอียดเนี่ยจนตลอดชาติทีนี้ถ้าเราดูเหตุปัจจัยยังไงก็ตามก็เกิดตามเหตุปัจจัยของการการกระทำํกำกรรมคือการกระทําถ้าทําถูกเหตุปัจจัยมันก็เกิดทีนี้ถ้าสมมติเราเป็นมองชีวิตในสนะผู้เดินทางผู้ปฏิบัติเนี่ยเราเหมือนกับลูกหนี้ลูกนี้ที่เขาคอยคือธรรมชาติ มันเป็นตัวก่อกำเนิดเกิดชีวิตนี้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นาธาตุรูปประขันเป็นรูปประาธาตเป็นรูปประขันเป็นนามว่าขันเกิดขึ้นตามลาดับทีนี้ความแก่ความเจ็บความตายก็ตามเข้ามามันสุกมันโดยธรรมชาติมันฮันถ้าหากว่าเราชักช้าก็เหมือนเราต้องใช้นี่เขา ถ้าในจิตในความคิดยิ่งหนักนะเราไปคิดอะไรไปปรุงแต่งอะไรไปสัมผัสอะไรมาเนี่ยสักวันมันตามมาเอาอีกมันจะทำให้เราคิดเรื่องนั้นอีกทาให้เราปรุงแต่งอีกเราทำอะไรเหมือนเราไปเป็นลูกหนี้เป็นหนี้เป็นสินกับเขาความคิดอัไ น, นั้นจะเกิดขึ้นอีกมันตามทวงมาท่า น, นเราอยู่สุขไม่ได้ตอนนอนมันก็เกิดตอนนั่งก็เกิดจะหลับจะตื่นเหมือนมีมารตามรงางควันที่ยิงเจ้าหนี้ เวลาเราปฏิบัติทำเรารู้นะเมื่อไหร่เราจะมืดนี้หมดสินสถียนระู้ชีวิตเนี่ยคิดแต่เรื่องเดิมๆ เ, เจ้านี่ก็คือกิเลสตัณหาคืออวิชชาเนี่ยตามทวงเราตลอดเวลางั้นกว่าเราจะใช้หนี้เสร็จก็โอ้ยลำบากบางทีแทบตายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รวยไม่รวยก็คือไม่เกิดไม่เกิดเสถียรเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดญาณ เกิดการเห็นแจ้งเกิดมหาสติร่ำรวยอย่างใหญ่โตเลยเป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาได้ศรัทธาไม่สูงวิยะสติสมาธิไม่พอไม่รู้จะเอาอะไรไปชดใช้หนี้เขานั้นเขาก็ตามทวงตามจิกเราอยู่เรื่อยๆเราก็เป็นหนี้เขาดงั้นวันเวลาที่ผ่านไปเราก็ได้แต่นั่งรอคอยว่าเมื่อไหร่เราจะบรรลุธรร ม, มเมื่อไหร่เราจะรวยนั่นเองอ่ะเมื่อไหร่เราจะรวยทีนี้เราไม่มามองดูเหตุปัจจัยข้อง ก, กันกระทำเราเราก็รวยไม่ได้ เหมือนคนที่นั่งรอความร่ำรวยแต่ใช้อาชีพชีพขอฐานเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันการจะเห็นทำการจะพ้นทุกข์จะหยุดจากนี่นี่นี่นี่นี่คือตัณหาคืออุบัติอิชาตามถวงได้เนี่ยเราก็ต้องทำตัวเองให้รวยให้ได้แล้วหนีเขาได้ไหมไม่ได้จะหนีไปทางไหนหนีความคิดเนี่ย มีอารมณ์อดีนานาคนมีอย่างเนี้คือสะสมอริยทรัพย์อริยสัพย์ในศาสนานี่มีเจ็ดมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตะปักมีพระหูสัจจะการได้ยินได้ฟังมาบมีจาระกัรสนละอารมณ์มีปัญญาการเห็นแจ้งถ้าห้าตัวเจ็ดตัวนี้รวมกันเรามีเต็มที่นะศรัทธาศีลหิริโอตตะปัก พระหุสัจาจะชาคัปปัญญาเราเป็นคนรวยล้ทีนี่รวมเป็นหนึ่งนะเอาใครมาให้ได้อารมณ์มาไหนมากระทบอดีตหรือแวบขึ้นมาอนาคตมาหรือมากระทบปุ๊บเอาวรวยให้มันไปแจกคนไปแจกไปแบบเราเป็นคนจำแนกแจกทำแล้วทีนี้เราเป็นคนแจกทำไม่ใช่เราเป็นขอขอเมื่อก่อนเราเป็นประเทศด้วยพัฒนามีแต่กู้กู้กู้กู้แต่ต่อมาเราจะเป็นคนให้คนอื่นกู้ละ คนอุกกก็คือคนมาปฏิบัติธรรมด้วยคนนั้นมาคนนี้มาเขาก็ได้สติได้ปัญญาจากเรากลับไปเออเราเป็นคนรวยขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราเป็นผู้แจกทำละผลเขาจะบอกว่าคนนี้เป็นประเทศพัฒนาแล้วเราเองก็เหมือนกันไม่ใช่ประเทศได้พัฒนาชีวิตที่พัฒนาแล้วจะไม่ถูกกิเลส ย, ย่ำยีเราเป็นคนรวยละออกจากลิส์บัญชี ประเทศที่ด้อยพัฒนาออกจากวันที่เป็นปุถุชนแล้วเลื่อนตําแหน่งตัวเองขึ้นเป็นอริยะนะอริยะก็คือเศรษฐีธรรมนั่นเองดงนั้นเราก็ไม่กลัววันเวลาจะเปลี่ยนไปยังไงเหตุการณ์จะพลิกผันยังไ ง, ง, ไงดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงเราก็รวยอยู่แล้วดังั้นเราก็ไม่ได้มาห่วงห่วงว่าอืมปัญหาอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราปัญหานั้นจะเกิดขึ้นกับ ประเทศชาติบางเมืองเป็นรูปนีโอ้ไม่เป็นปัญหานเะพราะเราไม่ได้เป็นลูกหนี้ใครเราไม่ได้ไปเป็นเจ้าหนี้ใครแต่เราเป็นเศรษฐีผู้แจกนะผู้จำแนกแจกธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้า ว, ว่านะเป็นผู้จำแนกทำรรสั่งสอนสัตวนะ์เห็นไหมดังนี้เนะี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นเศรษฐีนะ เราเองก็เหมือนกันนะ่ะเศรษฐีน้อยกับโสดาบัณเศรษฐีมากกับเศรษาคามีรวยขึ้นมาน้อยกับอนาคามีอะถ้าพันล้านเหมือนล้านนะเศรษฐีที่สุดก็คือพะอระอรหันต์รวยจนไม่รู้จะว่าจะรวยยังไงละเป็นราชาเศรษฐีนะก็ง่ายๆชีวิตเป็นแบบนั้ น, น, นแล้วก็ไม่ได้มารอวันรอคืนรอทุกกับเวลาหน้าที่ พราเวลานาะทีมันมาปุ๊บมันมีมารมาด้วยเกิดแก่เจ็บตายพุ่งเข้ามาด้วยความหงงงิดความพอใจความไม่พอใจความไม่สบายใจความไม่สบายใจความทับแค้นใจทั้งหลายทุกโขติ น, นาลูกนี่หลังเข้ามาแล้วทุกข์าเปรตตาลูกนี่ยืนรออยู่ข้างหน้าแล้วจะมารอเก็บปัจจัยทั้งหลายเราก็ทุกทุกทุ ก, ทกแต่เราก็ไม่รู้นะบางทีคนก็นอนบางทีคนก็ โลกวันที่บคนก็หนีบางคนก็นนนนกนหาใช้หนี่ใช้สินแต่ถ้าหาไม่ถูกทางก็เหมือนคนไปหาเงินเมืองนอกแล้วไม่ได้อะไรเกิดมาในโลกนี้ต่างคนจนผิดกันรวยผิดกันนะบางคนจนจนตายบางคนนิดหน่อยเกิดมาร่ํารวยแล้วหาถูกทางเหมือนกันเกิดมาใช้ชีวิตในธรรมวิ น, นัยในโลกนี้เนี่ยเราต้องรู้จักว่าเราจะพัฒนาชีวิตตัวเองอยังไงจึงจะรวยจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้แบบ เพียบพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญานะด้วยมรกด้วยผลเราก็พิจารณาเอาแล้วเราจะไม่อยู่ตกเป็นทาตุของความวันเวลามันคืนกินเราเป็นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตื่นมากระทุกคำมากระทุกก็ไม่มีแล้วก็นะ อ, อนุโมทนานะ ยะถาวริวหฮาปุราปริปุเรนติสาการังหวงน้ําที่เต็มย่อมยางสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ an ุปกะปตีฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น อิจิตังปฎิตังตุมังขออิตฉผลที่พันปราธนาแล้วตัง้งใจแล้วขิปะเมวะสมิจตุจงสําเร็จโดยชาพลาสเพพุเรนตุสังกบา ขอความดำรีทั้งพวชงชงเทมที่จันโดปนละโซยัาถเหมือนพระจันในวันเพ็ญมณีโยติราโซยัาถเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตะทะลัทธาสุขิตาท่านชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้ว วิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาหูทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสาพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้รักษาศีลให้บริบูรณ์